ทรงคิดพิจารณาถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นเรื่องหาฟองภูมน้อยใหญ่ทั้งนั้นด้วยมาจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เพียงเรื่องของพระองค์เท่านั้นก็มากมายเกายกองแล้วเรื่องการเกิดการตายในภูน้อยภูใหญ่ไม่ว่าพบมิใดขึ้นเชื่อว่าจิตตวิียญาณซึ่งเป็นของละเอียดและอํานาจแห่งกรรมและเชื่อแห่งกรรมนี้ ที่จะไม่จะเกิดได้นั้นไม่มีด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงเป็นสามัญคนธรรดาเช่นเดียวกับเราท่านท่านกับเราเราท่านท่านจึงไม่พ้นที่จะต้องเป็นตัดประเภทต่างๆตลอดจนตกนรกอาเวียสิทสวรรค์ชั้นผมที่ควรจะย้อนกลับมาเกิดอีกได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อทรง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 ของโลกสงสารที่อยู่ในสามเดนโลกัสสานี้มีเกี่ยบความทิ้นรุนกวน ก, ว, นกวายอยู่ด้วยอานาจแต่งกรรมและผมของกรรมทั้งนั้นนี่ก็ก็หนึ่งว่าหรือว่าพระทรงใจหายท่าภาษสาทของเราพระพุทธเจ้าก็ตรงพระทัยหายก็ถูกทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ผิดกันเลยจิตวิ ญ, ญญาณแต่และดวงละดวงนั้น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 ถึงว่าเป็นอ น, นิจจังเพราะอยู่ในแดนสมมุติก็ตามก็เปลี่ยนแปลงเพราะความเป็นกิเลสไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะความเป็นอัตเป็นธรมให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความสุขความสบายหรือเป็นพอที่ให้ตายใจจากมันเลยเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงขึนงนนน้นนั้นคำว่าอนิจจังของกิเลสต้องเปลี่ยนเพราะความเป็นกิเลสเสมอ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 แล้วความฟุ้งซ่านลำคาญทั้งหลายอันเป็นเรื่องของกิตนั้นจะสงบตัวลงไปเพราะถูกทำได้แต่ธรรมถรรมค ร, รมอบหัวมันลงไปมันก็มีความสงบเมื่อจิตสงบแล้วเย็นสบายไปหมดเหมือนกับไม่มีสิ่งใดๆในโลกนี้ฐานแดนโลกธาตุนี้ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความรู้ที่เด่นอยู่ภายในตัวเองไม่มีเรื่องอันใดเข้ามายุ่งนั้นเลยนั่นเรียกว่าความสงบ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 เพียงทั้งความสงบเย็นใจนี้เราก็สว่างโล่ไปหมดแล้วภายในจิตใจของเราทีนี้อจจาจารย์ตัดทาม่ต้องบอกเกิดขึ้นมาเองทำที่สูงกว่านี้มีไหมเพียงขั้นสมาธินี้ก็เป็นเครื่องจงินจันที่ทำขั้นสูงที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนมาแล้วโดยไม่ ส, ง ส, ง, สงสัยแม้เรายังจะไม่เรายังไม่รู้ประามรู้เพียงขั้นสมาธิที่ความสมงบแน่นของตอนนี้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 ทุกพึงกําหนดรู้สมุทยัยพึงเพียนละนิโรธทำคือความดับทุกข์พึงทําให้แจง้งมากโอเคอบรมให้มากให้เกิดให้มีถ้าพูดตามหนังสือเนี่ยก็เหมือนกับว่าทุกไปอยู่ในโลกหนึ่งสมุทยัย ไ, ไ, ไปอยู่ในทวีปหนะึ่งมรรคนิโรธไปอยู่คนลนะทวีปทวีปกว่า ท, ที่จะนํามารวมตัวแก้จิที่เรียกถอดถอนตัว ใ, ให้ผุดพ้นจากทุกข์นั้นไม่มีหวังตายทิ้งเปล่า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 เราจะเริ่มเห็นความพุ้งซ่านนาขาลของใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเดิดขึ้นมาเลย ล, าาลําดับตลาดับยิ่งจิตมีความสงบคําว่าสงบสงบเนี่ยสงบครั้งหนึ่งหนึ่งนั้นสามารถที่จะสร้างรากฐานจิตใจให้มีความแน่นามั่นคงขึ้นเป็ น, นลําดับลำดับจนกระทั่งว่าเป็นสมาธินั่นคำว่าสมาธิคือความแน่นามันม่นคงของใจอันเป็นฐานสําคัญซึ่งความสงบนั่นแหละเป็นผู้หนุนผู้หนุนให้เกิดขึ้นมา คำว่าความสงบนี้กรุณาอย่าได้คานนะขอให้เป็นในจิตใจของท่านผู้ปฏิบัติเองการคาดการหม า, า, า, าไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เป็นในใจของเองคือคําสมาธินี้เป็นอย่างไรท่านว่าคณิกะสมาธิสงบเพียงเล็กน้อยสงบเพียงคู่หนึ่งยามเดียวแล้วถอนออกมาพอให้เสียดายมีประการเนึ่อองประการที่สองทุปจาระสมาธิพอจิต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 ไม่ได้อยู่บนสมองสมองนั้นที่เป็นที่ทํางานของความจับแต่เรื่องทําแล้วจะทํางานที่กรงกลางคืตอตัวอกของเราเนี่ยจะ ต, ตรงไหนก็ตามให้คุณเข้าใจเอาไว้ว่ากรงกลาง อ, อกของเราจิตเป็นสมาธิก็เริ่มทองสายเริ่มสงบที่หัว อ, อกของเราท่องสามากน้อยอย่างไรสังเห็นอยู่ตรงนี้เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ขึ้นบนสมองเลยนี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิที่นี่เวลาเป็นสมาธิก็ใน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 ขี่เด็ดหนังเอาไปกินหมดแล้วขี่เด็ดตัดไตไส้กรูี่เด็ดไปกินหมดเรายังมาข้าวข้าวสบายย่งเหลือดจากระดูกดก็นอนได้ถ้างขี้เด็ดได้กล่องแล้วคนเราเอาที่นาสนี่เราขอให้ท่านทั้งหลาย น, นํเราปฏิบัติาสาระธรรมของพระเจ้านี้คือตลาดสามขวดนี้ผานอากาลิโกหมายคำว่าอย่างไรอือเรากาวเราตรวจอยู่ทุกวันสรวจข้าตัวหัวาตวาสมองสถาน ท, ที่กูอากาลิโกนะทำมีการมีเวลาเมื่อไหร่ขอให้ปฏิบัติตามหลักนั้น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 ตั้งกับตั้งกรร น, นี้มาสอนโลกเราอยาให้ยิเดศมาอวดรู้อวดฉลาดซึ่งธรรมดามันก็แข่กทำเป็นฆ่าศูนย์ตัดเรียให้มันพามาเป็นฆ่าศูนย์ทำลบล้างบาปก็มไม่มีบุญไม่มีแล้วเอาบาปเผาตัวเองโดไม่ดื้เราอย่าโง่ขนาด น, นั่นที่เราเป็นชาพูดให้มีความเฉลียวฉลาดสอนตัวเองเข้าไปทําท่านว่ายอย่างไงให้เชื่อทำท ำ, ทำคื อ, อเป็นออกมาจากท่านพระพุทธิเดสยิเด ศ, ศนี่มันเป็นตัวฆ่าสูกที่ทําลายโลกมามากต่อมากแล้วให้คิดให้อ่าน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 มันทําให้ติดได้นะสมาธิถ้าเราต้องการทําที่สูงที่ละเอียมที่เลื่เลยยิ่งกว่าสมาธิเราจรึงต้องได้ใช้ปัญญาเพื่อจะพิจารณาขี้คลายทุกโลกอนิจจังทุกขังรัตตามันเป็นอยู่ทั้งตัวเขาตัวเราเนี่ยขม้าปัญญาคือการสอดสอบการที่นพิจารณาใคล้ควรมีกฎอนิจจังทุกขังรัตตาอาสุธาอาสุถังเป็นทางเดินของปัญญาเร า, าจะพิจารณาถึงเรื่องอสุธาอาสุถังก็ตามพิาจารณาถึงเรื่องกฎอนิจจังทุกขังรัตาก็ตาม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 จะจังอยู่ก็ตามปัญญาจะไม่หยุดไม่ถอยจะหมุนตัวติวติวหมุนเพื่อฆ่าที่เรศผู้เกี่ยวขุดค้นหาเยนเมื่อเจอกันแล้วก็ปัดกันปัดกั น, กนขาดส็ปัดลงไปท า, ายใจจึจงกระทั่งถึงเอาขอสรุปเลยถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาออกไปจากภาวนามายปัญญาที่ช่ําชองนี้เองเมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วเอาที่นี่ที่เลศตัวไหนมันมีอยู่ที่ไหนมันจะเหมือนกับไฟได้เชือ้อเผาก็ไปเผาก็ไ ป, ถ, ไปถึงจะยังไม่ไม่ก็ตามชื่อ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 อย่าไปเข้าใจเมาส์เอาตั้นจะบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนะมมตายแล้วสูญด้านนี้จะจมลนะนี่สร้างความจมแม้กต่เจ้าของสร้างอย่างนี้แหละชาวพูดเราคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องขอเราเช่นอย่างจันทร์อสารก็เป็นอีวกประเภทหนึ่งนี้เราเป็นมนุษย์แท้ๆเป็นชาวพูดแท้ย้ายกิเลมันเยียมย่ำทำลายหัวใจหนักไม่เหมาะสมกับความเป็นนะพุทธบุตรของเราเลยนะวาสภาษาในกาลแสดงธรรมนี้ยังขอบุญญาหนุก้ามานุก้าสังขานุก้านาโป